ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันนิษฐนนานะนะคะสัปดาห์นี้เราก็มาเช่นเคยเหมือนกับทุกๆสัปดาห์ในส่วนของการที่จะมีดิฉันทาหน้าที่กราโนสการถามคําถามพระมหาภาัยบูลอภิปุลโนเนี่ยนะคะก็ะจะเป็นวันพฤหั ส, สบดีกับวันศุกร์สองวันในแต่ละสัปดาห์โดยท่านภัยบูลก็จะรับหน้าที่หนักหน่อยนะคะคือตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์เลย สัปดาห์นี้มีเรื่องที่อยากจะกราบเรียนว่าท่านเผบูนท่านเหนื่อยสองครั้งนะคะสําหรับเทปที่จะออกอากาศในวันนี้จริงๆนั้นได้บันทึกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าความไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นซึ่งเป็นธรรมะหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามท่านไผยบูนนะคะที่บันทึกไปแล้วเนี่ยเสียงมันหายไปค่ะก็กราบนมรสการค่ะท่านไผบูนที่เคารพค่ะเชี่ยมพานค่ะ ความไม่แน่นอนค่ะืเอเทคโนโกิดขึ้นกับรายการเราเลยค่ะเรื่องเทคโนโลยีนี่มันไม่แน่นอนมากๆเลย uh, คอบาทีค่เทคโนโลยีอย่างเดียวหรอคะท่านอก็เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในพวกของขันทั้งห้าอยู่แล้วขันทั้งห้ามันมีความไม่แน่นอนอยู่ในสิ่งนี้เพราะะฉนนั้นคือได้อันนี้ก็อย่างที่คุณยมติว่าเราได้บันทึกเทปไปแล้วแต่ว่าปรากฏมันมีความปิดพลาดทางเทคนิคยังไงไม่รู้ข้อมูลมันไม่มีเลยต้องมาคุยกับ คุยกันใหม่ค่ะอ่าในชันที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมานี่ก็คิดอยู่ก่อนกันนะคะเอ๊ะบอกท่านผู้ฟังดีไหมหรือว่าไม่บอกแต่ในส่วนตัวของดิฉันเนี่ยคิดว่าต้องบอกนะคะว่าเพราะคุณเจ้าเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยขณะที่บันทึกรายการนี้เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะคะดิฉ <c oughs> ันก็ต้องรบกวนท่านว่าอาจจะต้องบันทึกเวลานี้เนื่องจากค่ากว่านี้เนี่ยดิฉันก็เกิดติดภารกิจไปร่วมงานที่เขาจัดรายการโท ร, รทัศน์ รวมน้ำใจไปเนปาลของพระสงค์อะคะ่ะใต้มหาเทราสมาคมเป็นหลักนะคะก็ได้ฟังจากผู้ที่เป็นผู้บริจาคเยอะๆนะค ะ, ะท่านก็ได้เชิญชวนให้คนทำบุญพร้อมทั้งได้พูดทรรมให้คนฟังเลยคะ่ะสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นประเด็นว่าให้คำนึงถึงว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่แน่มันสั้นหรือมันอาจจะ สั้นกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะท่านก็อยากจะให้มนุษย์เราเนี่ยมีจิตที่คิดถึงความไม่แน่นอนแล้วก็มีใจที่อยากจะแสดงความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดรอนค่ะอืมเผ่อถ้าจะพูดถึงกรณีที่ว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสั้นเนี่ยอันนี้พูดสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยขนาดที่ว่ามนุษย์อายุเป็นหลายพันปีนะช่วงในสมัยที่ มีคนเขาพูดคําว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยสั้นเนี่ยมนุษย์ตอนนั้นก็ยังหลายอายุหลายพันปีอยู่โอ้ล่ะคะใช่แล้วก็ตอนนี้เราช่วงร้อยปีเนี่ย น, นี้สั้นมากแน่นอนอันนี้คือ ค, <ะ>คือจุดที่หนึ่งในคําที่สอนที่พูดถึงว่าชีวิตมนุษย์นั้นสั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนมันมันแบบโอโหปุ๊บปั๊บก็ไปได้เล ย, เ น, ยนะอันนี้คือให้เราพิจารณาถึงมรณะสติด้วยแตมรณะสติก็คือการระลึกถึงความตาย ่ว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมาก <legends. S 1> เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากแล้วถ้าบอกว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายที่มีมากศัพท์ตรงนี้พระพุทธเจ้ชาชใช้คําว่าเสนาของมารเนี่ยมีมากมัจจุมารในทีน่นี้หมายถึง่นะมัจจุมารคือมารคือความตายเสนาของมันเนี่ยมีมากคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราตายเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องแผ่นดินไหวที่มันมีความเป็นไปได้น้อยอ ยังรวมถึงแค่ว่าเดินพลัดตกหกลม้ mm. ลมกินอาหารเข้าไปมันไม่ย่อยหรือว่าธาตุต่างๆในร่างกายมันไม่สมดุลกันแปรปรวนขึ้นมามีปัญหาอีกอันนี้เหตุปัจจัย่งความตายมีมาก <Okay. S 1> ยังรวมถึงสัตว์ทำร้ายอะไรต่างๆในที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำ พ, พอพิจารณาตรงนี้แล้วที่ต้องใครครวญต่อไปก็คือว่าเอ e เราทาความดีแล้วหรือยังนี่ือประเด็น <Okay. S 1> แต่ถ้าเรา ยังไม่ได้ทำความดียังมีความชั่วอะไรอยู่ให้รีบละความชั่วนั้นเสียค่ะนั่นแลละถ้าทำความดีได้ก็ทำนะเช่นการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นค่ะซึ่งในส่วนที่การบริจาคที่ดิฉันได้ไปร่วมกิจกรรมมาเนี่ยนะคะจะมีพระสงฆ์ที่นําทางซึ่งดิฉันเข้าใจว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน พระกับคารวาสจะมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วในสังคมไทยนะคะก็เหมือนกับว่าเมื่อยามดีๆญาติโยมก็มามาบำรุงพระสงฆ์แต่ในยามที่เดือดร้อนพระสงฆ์ก็เมตตากรุณาเป็นแกนให้ในเบื้องต้นนะคะและดิฉันเชื่อว่าเวลาพระสงฆ์ลงพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็จะพูดธรรมะนะเพราะดิฉันติดตามแม้แต่กระทั่งเวลาสัมภาษณ์เนี่ย ให้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะแต่ละท่านก็ได้พูดธรรมะออกมาแล้วก็ได้เล่าถึงความที่มีจิตใจเช่นนี้เนี่ยบอกว่าเป็นหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยพระพุทธรู้เคยตรัสไว้ไหมคะอย่างนี้อาจารยถ้าอธิบายถึงการที่ช่วยเหลือกันอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่ละค่ะคือหนึ่งในหน้าที่ขอ ง, งหกอย่างที่พระสงฆ์จะต้องมีก็คือมีการอนุเคราะห์ด้วยใจอัน ง, งามค่ะอนุเคราะห์ด้วยใจอัน ง, งามเพราะฉะนั้น มีใจงามแล้วออกมาทางกายหรือทางวาจาลักษณะที่ไปช่วยเหลือกันอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้แน่นอนเป็นหน้าที่ของของพระสงฆ์อยู่ละทีนี้ในขอบเขตเรื่องของว่าคุณทำอะไรที่คุณจะแสดงออกมาละ่ะแล้วก็เมตากุณานะมริตาอุเบกขาหรือว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานเรื่องของการที่ไปลงพื้นที่อันนี้คือแสดงออกได้หมดทีนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะเป็นอย่างนี้นะคือยังรวมถึง คนที่เป็นพระอรหันต์แต่คนที่เป็นโซดาบันนจิตใจที่หรืออาจจะแค่เป็นโซดาปฏิมาศหรือแม้แต่ว่ากําลังเดินทางที่กําลังจะให้สู่ความเป็นอริยบุคคลเนี่ยตรงนี้คือต้องมีจิตใจที่มีความกุศนามมีความเอื้อเฟือเฟ้อเกือ้อกูลกันนี้ต้องมีอยู่แล้วค่ะท่านพูดทําให้เราฟังแล้วเข้าใจว่าโพธิสัตว์กับอริยบุคคลในชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซดาบันสกิภาคามีอนาคามีแล้วก็ พรอาหารหันต์เนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมคะโพธิสัตว์หมายความว่าย่างไงเหรคะโพธิสัตย์ก็คือบุคคลที่ยังมีความคล่องอยู่ในโพธิยาน ส, ส, สัตว์เนี่ยน ะ, ะ ใ, นในความหมายในศัพท์คํานี้ไม่ใช่หมายถึงสัตว์ที่เป็นหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่หมายถึงความคล่องอยู่ยังคล่องอยู่ในโหติซึ่งโพธิในที่นี้คือหมายถึงโพธิยานคือความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึงความรู้แจ้งอะไรแบบเดียวกันไหมคะก็ะคือเป็นพระพุทธเจ้าเลยะใช่เป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่พุทธะธรรมดาน ะ, <ค>ะแต่เป็นสัมมาสัมพุทธะในที่นี้งั้นเวลาเราพูดถึงโพท ธ, ธิสารทั้งหลายในหมายความว่าอยู่ในระหว่างก่อนที่จะขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าเองถูกต้องถูกต้องถูกต้องออเพราะฉะนั้นพนัการกระทําอะไรต่างๆก็ต้องเป็นไปในทางศีลสมาธิปัญญาค่ะทีนี้ทีนี้มันก็จะมีปริมาณไม่เท่ากันแต่สำหรับเช่นโซดาบัน สกัดคามีอนาคามีอรหันเนี่ยทุกคนจะต้องเดินตามศีลสมาธิปัญญาอยู่ละรวมทั้งถึงโพธิสัตว์ด้วยทีนี้ถามว่าในขณะที่เดินตามทางศีลสมาธิปัญญาทําได้มากแค่ไหนถ้าทําได้เต็มที่ในศีลสมาธิปัญญาได้พอประมาณ น, นี้คุณได้โสดาบันถ้าถ้าสมมติศีลก็ดีขึ้นมาอีกแล้วก็สมาธิก็ดีด้วยแต่ปัญญายังได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็อนาคามี ศีล ส, สมาธิปัญญาเต็มที่อันนี้เป็นอารหันต์แต่ถ้าจะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาต้องมากระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แค่อารหันต์ต้องทําให้มากขึ้นไปอีกโพธิสัตว์นี่ต้องยิ่งไปกว่าเอ่อยิ่งไปกว่าพระอารหันต์ถูกต้องถูกต้องนะคือหมายความว่าในระดับที่ว่าบางทีบางคนมีศีลสมาธิปัญญาในระดับเป็นพระอารหันต์ได้แล้วแต่ว่ายังคล่องอยู่ในโพธิญาณ ไม่อ่ะฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาบระอรหรันอย่างนี้ก็ก็มีอ๋องั้นทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นดิฉันอาจจะจับจัดระดับพระโพธิสัตว์ไปอยู่ข้างล่างอารหันชั้นแรกเลยนะเอ่ออริยบุคคลชั้นแรกเลยเอืมทีนี้โพธิสัตว์ที่ยังต่ำๆอยู่ก็มีโพธิสัตว์ที่ยังต่ำกว่าโสดาบันก็มีโพธิสัตว์ที่เหนือขึ้นไปกว่าอารหันก็มีแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าโพธิสัตว์เหนือกว่าอารหันเนี่ยเราพูดยังไม่ได้แราว่าเราจะต้องวัดจุดที่ มีการหลุดพ้นมีการหลุดพ้นคือสิ้นอัตวัตรตรงนั้นสำคัญกว่าเข้เขาใจเนะะาะคื อ, คค อ, คอยังมีความคล้องอยู่ยังมีความยึดถืออยู่แต่อรหันนี่ไม่มีความยึดถือแล้วเพราะเพราะฉะนั้นเออข้าเจ้าเราจะวัดว่าศีลสมาธิเยอะไ้ยเยอะอยู่แต่ปัญญาปัญญาเท่าอารหันหรือยังนะอรหรนันนี่ปัญญาที่จะตัดกิเลสได้ถามว่าท่านมีปัญญาที่จะตัดกิเลสได้ไหม ก็ได้ท่านน้อมจิตมาแต่ว่ามันยังคล่องอยู่มันจึงยังตัดไม่ได้คนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยน ะ, ะก็ก็มีสองแบบถูกไหมคะคือแบบหนึ่งที่มีศีลสมาธิปัญญาดีเสมอกับพระอรหันต์แต่ยังคล่องอยู่ในโพธิญาณโพธิญาณกับอีกอย่างหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงขั้นของพระอรหันต์มีศีลสมาธิปัญญาไม่เต็มที่ อืมใช่แต่ก็ยังคล้องอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมคะคล่องอยู่ใช่นะคะดังนั้นก็ต้องถามอะค่ะเพราะว่าพอฟังไปเรื่อยๆถ้าไม่ถามเดี๋ยวท่านฟังอาจจะติดใจฟังรายการแล้วมันไม่ไ ม, ไ, มไม่ติดค้างนะ่ะอืท่านคิดว่าดิฉันยังควรที่จะทราบอะไรเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้ท่านฟังติดค้างไหมคะเออเขาถ้าพูดถึงบริษัทเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็จะต้องทําชนิดที่ว่าทําไมทำไม ในาการเขาถึงพูดชูประเด็นธธถึงโพธิสัตว์ถูกไหม <คะ S 1> เพราะว่าคนที่จะเป็นโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยต้องสร้างบารมีในการที่จะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีมันเหมือนกับไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ต้องทำํำเหมือนกับว่าน้ําทุงหยดทุกหยดทุกห ย, ด, กหยดเนี่ยรวมๆกันเข้ามันก็จะเป็นมหาสมุทรขึ้นมาคในจิตใจเนี่ยคือลักษณะของโพธิสัตว์คือทำอย่างชนิดที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากเลยสู้เต็มที่เหมือนกับว่าจะไม่ได้สําเร็จแต่ก็ยังทําเป็นอย่างนั้นเท <คะ S 1> ่ากับว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของการกระทำเช่นไรจึงจะทําให้เป็นโพธิสัตว์แล้วเราได้พบว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่กําลังพยายามอยู่นะคะมีพยายามที่จะรักษาศีลปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยก็ไม่แน่นะคะอันนี้ดิฉันสรุปเองนะคะน่าจะมีคนที่เข้าข่ายเป็นโพธิสัตว์อยู่เยอะเหมือนกันใช่คนที่มีความปร า, มารถนาสมาสัมปทิยาน นนัโลกเราในขณะ น, นี้ใบนี้ที่เกิดเป็นมนุษย์ในเมืองไทยเนี่ยก็มีเยอะก็มีเยอะค่ะ<ม>นะคะแต่เราไม่ต้องไปประมาณใครหน้าที่เราไหมคะที่จะต้องไปคอยสังเกตสังกาแล้วก็เที่ยวบอกว่าเอางี้นะคนเนีนะ้น่าจะเป็นโพลิสัตเพราะว่าฟังพระอาจารย์ไผ่บุญอืมอ่ที่เราต้องคอยดูก็คือว่าเขาเป็นคนดีไหมแค่นี้ะปะแต่ถ้าคนดีเราครบด้วยถ้าคนไม่ดีเราต้องหลีกเลี่ยงนะคะ<ม>ค่ะก็เลยได้ ความรู้เรื่องโพที่สัตว์มาอีกอย่างหนึ่งทีนี้ดิฉันได้ยินพระอาจารย์พูดถึงหมายถึงในรายการโทรทัศน์นะคะท่านเจ้าคุณที่ไปให้สัมภาษณ์ก็มีท่านรองอธิการบดีของมอจรกับอรองอธิการบดีของมอ ม, อมอรอคือเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขนาดใหญ่ที่มีอยู่สองมหาวิทยาลัยเนี่ย ร่วมมือกันนั่นหมายความว่าพระสงฆ์ทั้งสองนิกายในประเทศไทยนี่ก็ร่วมมือให้กับโครงการนี้อย่างเต็มที่นะคะอะ่รูปหนึ่งก็ได้กล่าวถึงเรื่องของเวลาเรารู้สึกว่าคนเขาเดือดร้อนอย่างแผ่นดินไววเนี่ยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องของความเมตตาแล้วก็อ่าเกิดความกรุณาขึ้นมาซึ่งต้องนำไปสู่การกระทำ ใช่คือว่าบางทีเรามีเมตตาทางใจมีกรุณาทางใจอันนี้มันมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าสำหรับคนที่มีใจแบบนี้แล้วความเมตตาความกรุณาเนี่ยก็ควรจะส่งมาทางวาจาด้วยส่งมาทางวาจาด้วยส่งมาทางกายด้วยอันนี้จะดีมากค่ะดิฉันจะกลับไปถามอย่างเี้นะคะว่าไปเห็นบรรยากาศของการร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยก็จะมี พระกระทางานใช่ไหมคะหรือบางทีพระจํานวนหนึ่งก็มาร่วมที่จะถวายเงินให้กับท่านประธานคือท่านเจ้าคุณอพระพรมสิทธิ์อแห่งวัดสเกต ด, ด้วยเพื่อที่จะผ่านไปทางในปานเนี่ยนะคะมีครวาาจํานวนมากเลยที่ทยอยกันมาถวายแล้วก็มีคนที่อาสามารับโทรศัพท์เพื่อที่จะให้คนบริจาคเงินเข้ามาบ้าง กับคนช่วยงานอื่นๆรวมไปถึงที่สำคัญก็คือท่านผู้ชมที่ชมรายการดิฉันรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยกำลังสร้างกุศลคือเหมือนกับคนชมเนี่ยก็ต้องมีใจละชมไปอนุโมทนาไปนได้บุญัลยคะ่ะท่านคะโอแน่นอนใช่ใช่คือแค่ว่าเรามีจิตยินดีในความดีที่คนหนึ่งเขาทำแต่ความยินดีพอใจสบายใจที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยเป็นบุญอันใหม่แน่นอนเลย บนบุญที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้ท่านฟังทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจธรรมะในลักษณะของการที่ตีโจทย์ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอบรอ บ, รอบตัวของเราเนี่ยหละทีนี้ดิฉันจำได้ว่าในเทปเก่าเนี่ยท่านเปบูลได้ให้พูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งดิฉันว่าน่าสนใจนะคะเรื่องของการมีอำนาจเหนือจิตซึ่งตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าคนเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่า มีโอกาสที่จะมีอํานาจเหนือจิตในบางช่วงเวลาของชีวิตซึ่งบางครั้งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างเช่นคนจะเลิกบุหรี่หรือที่เขาติดมานานหรือว่าเลิกเหล้าหรือบางคนเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเสพยาเสพติดในบางครั้งนะสารเสพติดแต่พอเขารู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเขาเลิอกอะไรทำนองนี้นะคะดังนันลยอยากทราบว่าอที่มีอํานาจเหนือจิตที่ตามความเข้าใจแรกที่กราบเรียนถาม ว่าทุกคนมีในบางเวลาของชีวิตเนี่ยมีมากมีน้อยแตกต่างกันแต่มีแน่แน่ถ้าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยใช่ไหมค ะ, ะคาว่ามีอำนาจเหนือนจิตเนี่ยหมายความบ้างอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้ให้ความหมายบ้างอย่างนี้ว่าต้องการจะตริตรึกเรื่องใดก็ตริตรึกได้นั่นจะดำริไปในเรื่องใดก็ดำริได้ไม่ต้องการตริตรึกไม่ต้องการดำริไปในเรื่องใดก็ไม่ดาริไม่ตริตรึก ในความดาริหรือความตริตรึกนั้นไดนะ้เป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตในคลองแห่งความคิดทั้งหลาย อ, อันนี้เกิลนะักษณะนี้เป็นเรื่องของความคิดทั้งเรื่องความคิดในการที่จะสั่งจิตในการที่จะให้ไปคิดหรือไม่คิดเรื่องใดๆก็ได้นะทีนี้มันก็คือพอจิตเนี่ยมันไปตริตรึกเรื่องอะไรมากมันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันก็จะทําหรือจะไม่ทําก็ออกมาเป็นทางกายต่างวาจ า, ะาละเเรายังดูดูอย่างยกตัว อ, อย่างสุงนัขเป็นต้น แต่สุนัขนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่พอเห็นตัวเมียเดือนสิบสองเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่สามารถควบคุมตัวมันเองได้แต่สุนัขตัวผู้นะะมันจะต้องวิ่งเข้าไปหาทันทีแต่ไม่สามารถควบคุมได้ถ้าถูกผูกอยู่ก็จะ เ, เจห่าจะหอนจะอะไรต่างๆทุกตัวเป็นเหมือนกันเลยแต่มาไม่เคยเห็นตัวไหนที่มันไม่เป็นออแต่นี้ทําไมคนเราเนี่ยคนนะคนคะเจ อ, อเห็นคนสวยๆนะก็อืยังพอควบคุมตัวเองได้อันนี้มันดีขึ้นมาไนงะดีขึ้นมาทีนี้ ในเรื่องที่ละเอยดละเอียดขึ้นไปอยเช่นความคิดบางเรื่องเฮ้เราไม่ต้องการคิดคิดแล้วมันปวดหัวคิดมันมันไม่ดีแลต่ก็ทําไมจิตมันน้อมไปคิดอยู่เรื่อยเนี่หรือเรื่องที่เราต้องการคิดพิจารณาให้ใกล้ครัวนี่มันออกเนี่ยเฮ้บางทีทําไมมันคิดไม่ออกนันเป็นอย่างนั้นทําไมเวลาที่ต้องการให้คิดมันดันไม่คิดเวลาที่ไม่ต้องการให้คิดมันดันไปคิดอย่างงี้ถ้าอย่างนั้นทีฉันคิดว่าคนเป็นเยอะนะคะอื มีการแต่งเพลงเลยนะคะว่าจะหักใจไม่คิดเนี่ยแล้วก็ยังคิดนะคะออย่างไ น, น, นี่แสดงว่ายังไม่มีอํานาจเหนือจิตเนืจิตยังถูกตกอยู่ในอํานาจของสิ่งอื่นๆอยู่เท่ากับว่าการที่เราไม่สามารถบังคับจิตได้เนี่ยบางคนคิดว่าจิตมันเป็นของเรามันควรบังคับได้มันก็ชักเห็นแล้วสิคะว่ามันไม่ใช่เริ่มเริ่มไม่เริ่มไม่ที่อย่างถูกต้องเห็นความไม่ใช่ตัวตนถูกต้องอันนี้เขาจะต้องเห็นตรงนี้ได้แต่ว่าเห็นแล้วมันก็จะ เริ่มที่จะบังคับได้ไง ين? เริ่มจะมีกําลังตรงนี้กําลังที่เกิดจากการที่เราเห็นว่าเฮ้จิตเรามันบังคับไม่ได้นะมันเป็นอนัตตากําลังตรงนี้คือกําลังปัญญาที่ก็จะเพิ่มขึ้นประเด็นคือว่าบางทีเราบังคับได้บางทีเราบังคับไม่ได้แต่เช่นบางทีเราต้องการจะนึกคิดนึกเรื่องงานการตอนนี้มันก็คิดนึกได้นะแต่บางคราวที่ว่ามันคิดนึกไม่ได้มันก็มีตรงนี้แสดงถึงว่าการที่บางทีส่วนใหญ่เราควบคุมได้ บางทีก็ควบคุมไม่ได้ที่มันจะมีตรงนี้ว่าบางทีเนี่ยเราโกโรธใช่ไหมเราโกโรธเขามาพูดสักอย่างไดอย่างหนึ่งให้เราโกรธปรี๊ดขึ้นมาเลยเราก็มีความคิดว่าฉันจะด่ามันอย่างนี้ฉันจะกุดขุดพ่อมันแล้วก็แม่มันมาพูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะเอาเรื่องนี้ที่ฉันจําได้เนี่ยมาด่าเขามาสมรวมกันให้มันเจ็บเจ็บคิดว่าตัวเองจะทําอย่างนี้ใ น, นการคิดอย่างนี้คิดว่าตัวเองจะมีอํานาจเหนือจิตแต่มันคิดผิด เพราะว่ามันถูกตกไปเป็นอำนาจของความโกรธตั้งแต่แรกแล้วคือถูกใช้เป็นเครื่องมือเลยจิตของเราก็จะถูกความโกรธใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะคิดนึกไปในทางที่จะไม่ถูกต้องอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตนะถ้าในลักษณะนี้นคือมันดูเหมือนใช่แต่ว่าเราถูกควบคุมโดยความโกรธตั้งแต่แรกแล้วเราไม่มีอานาจเหนือความโกรธณขณะนั้ น, นจึงถูกความโกรธเนี่ยใช้ไปในทางต่าง อันนี้ถือว่าไม่มีอำนาจเหนือจิตค่ะทีนี้ผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตเนี่ยก็คือว่าปกติแล้วปกติแล้วจิตเนี่ยมันจะไหลไปตามสิ่งต่างๆคำว่าไหลเนี่ยหมายถึงว่ามันจะไปรับรู้สิ่งต่างๆแตนะ่คุณยมติ๋วจะรับรู้เสียงได้ก็ต้องผ่านทางหูใช้จิตไปรับรู้ใช่ไหมเอ่อถ้าผู้ฟังจะกินอาหารสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรับรู้ถึงรสชาติมันได้ก็ต้องใช้จิตเนี่ยไปรับรู้ผ่านทางลิ้นณนะอยู่ในลักษณะนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ รับรู้อะไรก็ไม่เกินรูปเป็นนาสัญญาสังการวิญญาณในะอยู่ในหกช่องทางนี้จิตมันก็จะไหลไปตาม6กช่องทางนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยพุ่งเข้ามาหาจิตหมดเลยเนจิตนี่รับเละคนเดียวนะีลูกเดียวทีนี้ในขณะที่มันรับเละหมดเ น, นไปรับรู้หมดเนี่ยมันก็จะถ้ามีสิ่งที่เป็นลักษณะที่ชอบใจมันก็จะทําให้จิตนั้นน่ยมันเข้าไปเกลือกลั้วยินดีแต่ถ้าเป็นลักษณะที่มันไม่พอใจก็จะทําให้จิตนั้นไปเกลือกลัวในลักษณะที่ ไม่พอใจไม่น่ายินดีเด็กก็จะมีสภาพเหมือนกับสิ่งที่มันไปรับรู้ในการที่มันไปติดกันรับรู้แล้วมันไปเหมือนกันกับเขาเหมือนกับอารมณ์ที่มานั้นแต่เช่นถ้าอารมณ์ที่มานั้นเป็นที่ตั้งของความยินดีปอใจก็จะมีความยินดีปอใจกําหนัดเกิดขึ้นที่จิตอันนี้เป็นธรรมชาติของมันแต่ว่ามันติดกันด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาเพราะว่าวิชาหรือว่าถ้าภาษานั้นเป็นที่ตั้งของความไม่น่าอใจ มันก็จะมีอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจขยะกขย้งเกลียดชงังเป็นปฏิกัสเกิดขึ้นที่จิตนะ่ที่มันติดกันเนี่ยเพราะว่าอํานาจของตันหาอาวิชชาทําให้จิตเนี่ยน้อมไปในทางนั้นอันนี้จิตมันจะไหลไปในทางที่สิ่งต่างๆมันจะพัดพาไปนะ น, นี่คือถ้าจิตไม่ได้อยู่ในอำนาจเราอยู่ในอานาจของจิตจิตนั้นก็จะพาเราไปในทางที่ถูกคนอื่นชักลากไปทั้งหทางนี้นะนั้แน่นอนบางทีมันไม่ดีมันไม่ดี เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นการฝึกที่ควรทํามากๆว่าเราจะต้องทําไงให้จิตอยู่ในอํานาจไม่ให้จิตนั้นตกไปอยู่ในอํานาจของสิ่งที่มากระทบค่ะต้องทำไงก็ได้คะอันดับแรกก็คือว่าจากการทํางานของจิตในลักษณะนี้นนที่ว่ามีสิ่งต่างๆมากระทบแล้วพุ่งเข้าสู่จิตเนี่ยถ้าจิตไม่มีที่ตั้งมันก็จะไหลไปตามอำนาจของสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตเนี่ยต้องมีที่แล่นไปสู่นั่นคือมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ จิตต้องมีสติเป็นที่เล Ins, mm. ่นไปสู่พวกเราจึงต้องตั้งสติขึ้นแต่ตั้งสติขึ้นอย่างน้อยให้สตินี้นเป็นที่รักษาจิตให้ได้ก่อนเป็นที่รักษาจิตให้ได้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในการที่จะตั้งสติขึ้นแต่ก็มีลมหายใจด้วยมีพุทธานุสติด้วย่มีธรรมานุสติเมอนุสติทั้งสิบอย่างในการที่จะให้เราตั้งสติขึ้นให้ได้เอาใช่ไว่าตอนนี้เรามีลมหายใจนะทุกท่านมีลมหายใจ เอาแค่ว่าจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับลมห า, ายใจปุ๊บเดี๋ยจะเป็นสติตั้งขึ้นทันทีหน้าเดียวนั้นทีนี้สติที่ตั้งขึ้นเนี่ยถามว่ามันจะเป็นที่ตั้งที่อาศัยได้ไหมเดีน๋ยะเพราะว่าอุปมาอปไมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับเสาหินเดนะเสาที่ว่าเสาเขื่อนเสาหลักเดี่ยเป็นเสาหินเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งศอกยาวสิบหกศอกฝังลงไปในดินอย่างดีเนี่ยเป็นเสาที่ถ้าผูก เดเจ้าเอาสัตว์มาผูกไว้กับเสานี้มันจะไม่มีทางที่จะหลุดไปได้เลยถ้าผูกเงื่อนแน่นนะถ้าเชือกนี้เป็นเชือกที่เหนียวเอามาผูกไว้กับเสาในเสาจะไม่มีทางหลุดไปได้แต่ถ้าเสานีนะ้มันเป็นเสาปักอยู่บนเลนธรรมดานะแบบว่าแล้วก็เป็นเสาไม้ซีกนะสัตว์บางทีดึงแรงแรงมันหักได้หลุดได้เพราะฉะนั้นถามว่าเสาที่เราตั้งขึ้นไว้สําหรับรักษาจิต ผูกเจ้าสารหกชนิดไว้เนี่ยเปนชาประเภทไหนมีกําลังไหมแต่ก็อยู่ที่ว่ากําลังสติเรามีมากหรือน้อยถ้ากําลังสติเรามีน้อยมันก็จะมีความเป็นไปได้ว่าจิตนั้นมันจะมีอํานาจเหนือเราอยู่มันก็จะยังจะไหลไปตามอานาจของสิ่งต่างๆที่มากระทบอยู่แต่เราก็ต้องค่อยๆฝึกแต่เพราะว่าทุกครั้งที่เราตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยนะแล้วมีความคิดนึกเรื่องใดเกิดขึ้นแล้วเราไม่ลืมหลงลมหายใจนะ เอางี้ก่ น, นะเรามีความคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงทางหูริมรถทางลิ้นมีความคิดทางใจแล้วเราไม่ลืมลมหายใจนั่นนั่นชื่อว่าเราผูกเชือกอยู่แล้วนะลมหายใจนี่หมายถึงจิตมาอยู่กับลมหายใจปุ๊บมีสติตั้งขึ้นทันทีนะสตินี้เป็นเสานะเสาเนี่ยมันจะมีเชือกผูกอยู่กับสัตว์6กชนิดถูกไหมเพราะฉะั้สัตว์6ชนิดเนี่ยเปรียบเสมือนอย่างเช่นความคิดอะมีความคิดเกิดขึ้นมันพยายามจะดึงจิตลงไปแต่ว่า มันไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีเชือกผูกอยู่เชือกผูกอยู่กับสาวในที่นี้คือลมหายใจของเราที่เราไม่ลืมเพราะเราไม่ลืมลมหายใจเนี่ยจิตของเราจะเริ่มมีกําลังขึ้นมานิดหนึ่งสิ่งนั้นที่มันดึงไปไม่ได้มันก็จะอ่อนแรงลงไปนิดหนึ่งใ <Okay. S 1> นะประเด็นอาการที่เราไม่ลืมลมหายใจในขณะที่เรามีความคิดนึกต่างๆอันนี้ทําถูกต้องแล้วเนี่ยทำถูกต้องแล้วนะทีวนี้เราทําไปทําไปอย่างนี้เนะี่ยใจของเราเนี่ยนะ มันมีพลังมากคุณโยมติวเอาไปใส่ไว้กับตรงไหนเนี่ยตรงนั้นจะมีกําลังขึ้นมาถ้าสมมุติเราเอาใจของเราไปใส่ไว้ตรงความคิดความคิดนั้นจะมีกําลังขึ้นมามันก็จะมีอํานาจเหนือ네จิตทีนี้ถ้าเราเอาใจของเรามาใสาไ Lindsay, ไ่ไว้กับลมแต่สิ่งที่มากระลมคือสติก็จะมีกําลังขึ้นมาเพรา so ะฉะนั้นในทีนี้ก็คือว่าถ้าสมมติในขณะที่มีความคิดแล้วในขณะที่เราไม่ลืมลมหายใจเนี่ยเราก็เอาใจของเราเนี่ยมาใส่ไว้กับลมแต่ความคิดอาจจะมีอยู่ก็ให้มันมีไปหรือมาอาจจะให้ไปกระช่างมันเถอะ แต่ในขณะที่ถ้ามันมีมาเราไม่ลืมลมหายใจชื่อว่าจิตสติของเรามีกําลังเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งสิ่งนั้นมีกําลังอ่อนลงไปนิดหนึ่งแต่มันจบไปอย่างนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเราค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปเนี่ยสยัตว์เหล่านั้นอาจไม่ใช่วาที่มันจะมาทางเสียงมาทางรูปมาทางลิ้นมาทางใจเนี่ยมันจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจิงตของเราที่มาใส่อยู่กับลมหายใจก็จะค่อยมีสติมีกําลังมากขึ้นและมากขึ้น มันก็จะเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เกิดสมาธิขึ้นพระพุทธ้าพูดถึงคนที่มีอํานาจเหนือจิตในคลองความคิดทั้งหลายเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีปกติได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลาบากซึ่งฌานทั้งสี่เป็นอย่างนี้มันก็จะมาด้วยกันคนที่ตั้งสติขึ้นได้อย่างดีมีกําลังฌานสมาธิเขาก็จะมาด้วยนั่นเองใช่ฉานนี้ก็เป็นเป็นวิธีที่จะมีอำนาจเหนือนจิตใช่ แดังนั้นใครที่มีปัญหานอนไม่หลับคิดอยู่เรื่องเดียวเนี่ยสลัดไม่ออกแล้วก็อยากนอนหลับไปซื้อยานอนหลับอันนี้ไม่ได้สามารถทําให้เมีอำ น, นาจเหนือจิตต้องปฏิบัติ อ, อย่างที่ท่านไปบูร์นว่าใช่ไหคะอันนี้ก็คือว่าบางทีใช้สิ่งที่เป็นทางวิยทยาศาสตร์ช่วยอย่างอย่างกรณีของคนที่เป็นโรคประสาทเนี่ยหมอเขาก็จะมียากล่อมประสาทให้กินใช่ไหมอันนี้ก็คือว่าช่วยในทางด้านกายภาพเท่านั้น แต่นี้พอหมดฤทธิยาแล้วมันก็โดยผลเหมือนเดิมจิตอันนี้พอพอช่วยในยลักษณะของทางกายภาพทั้งเองแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดจากใจเราต้องควบคุมใจของเราตรงนี้ให้ได้นั่นเองค่ะท่านไปบุญค่ะแล้วถ้าหากว่าเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าตรัสว่า ใ, ให้ให้ อะไรนะคะถ้ามีอำนาจเห น, เนือจิตหมายความว่ า, าต้องการตรึตรกเรื่องใดตริตรึกได้ใช่น ะ, ะวางเรื่องใดก็วางได้อะไรน<ช>ั่นนะคะ<ช>ก็เท่ากับว่า เ, าเรากําลังกําลังทดสอบอยู่น่ะก็จะวางได้ไปในที่สุดให้ลองดูถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นกระบวนการในการฝึกแล้วมันเป็นทักษะนะเหมือนกับว่าเด็กที่เขากําลังฝึกเดินทําไมเขาจะต้องฝึกในการที่จะควบคุมกล้ามเนื้อของเขาให้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเ อ, อหัดลม้มเนี่ยมันตั้งไม่ได้กล็ล้มล้มแล้วตั้งตั้งใหม่ค่ะลุกขึ้นไม่ได้ทําไงลม้ลมล้มแม่ก็ลุกขึ้นใหม่อย่างเงี้ะเช่น <What? S 1> เดียวกันเวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยบางทีมันเฮ้ยลืมล้มอ่ะโอ้ก็ตั้งขึ้นใหม่อย่าไปท้อแท้ท้อถอยเพราะว่านั่นมันจะเป็นโอกาสให้ไอ้เจ้านิวรณ์หรือว่าเครื่องอุปสรรคต่างๆมันเข้ามาเราอย่าไปท้อแท้ค่ะแล้าทีนี้ถ้าเกิดบอกว่ า, วาเ อ, อมี มีอำนาจเหนือจิตคือสมมุติว่ามันคิดคิดอยู่ใช่ไหมคะมมเราก็พัฒนาไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าโหสติ ก, กำลังมีกําลังปุ๊บเราก็บอกตัวเองว่าไม่คิดพอเราไม่คิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเหรอคะถ้าอยู่ในภาวะที่ว่ามีอำนาจเหนือจิตแล้วโอเคถ้าจิตฝึกมาดีแล้วแต่เราเคิดคิดอยู่ฉันไม่คิดแล้วกันนะอย่างนี้นใช่ไหมค่ะพอไม่คิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีความว่างใช่ไหมพอมีความว่างแล้วมันจะมีความเบา มีความบาล้วมันก็จะมีความเย็นแต่ตอนนี้จะเป็นสมาธิที่ลึกลงไปอีกของความสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดก็จะละเอียดลงไปอีกใช่ไหมคือถ้าเราจะพูดถึงว่าอ่ะฉันต้องการคิดเรื่องนี้ก็คิดได้ใช่ไหมทีนี้คิดไปคิดไปมันก็ดีไม่มีปัญหาอะไรคิดเรื่องดีๆก็ดีอยู่แล้วแต่บางทีมันเรื่องไม่ดีมันโผล่ขึ้นมาใช่ไห ม, ไหมถ้าเร า, า, เราคิดเรื่องเราจะไปทําบุญสุนทานให้ทานที่ไหนอะไรงไงเนี่ยบางทีมัน นึกถึงเรื่องราวต่างๆจะชวนใครไหมมันก็จะมีเรื่องเดียว่าจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะไม่ชวนคนนี้หรืว่าอะไรคนนี้จะไม่ชอบอ้าวมันก็มีเรื่องที่ไม่ดีมาแปดเปื้อนนิดหนึงอันนี้คือเป็นอาพาธแตเช่นเด<ช>ียวกันในสมาธิเนี่ยถ้าสมาธิที่ไม่มีความคิดก็มีแต่ซึ่งอันนี้เป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นไปไอความคิดถึงแม้เรื่องดีนั้นก็ตามก็จะมาเป็นอาพาธของสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดสมาธิ ช, ชนิดที่ไม่มีความคิดนี่คือขั้นที่3ขึ้นไปนะ กัรนที่สามขึ้นไปชั้นสามขึ้นไปก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคันค่ะนะะก็ได้ความรู้อีกแบบหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายสามารถนำมาไปสู่การปฏิบัติได้ดูเหมือนกับว่าจะใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วสาหรับอันนี้นะคะท่านค่ะใช่ใช่แล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะสุดท้ายในที่นี้ก็คือว่า เ, อาเวลาที่เราฝึกทำไปเนี่ยอันมานต้องการจะพูดถึงว่า เ, าเราก็ค่อยๆทาไปในชีวิตประจวัน ค<ะ>ือแน่นอนการฝึกเป็นรูปแบบมันก็ดนะีถ้าเราทําได้ตอนเช้า5นาทีสินาทีก่อนลุกขึ้นจากที่นอนก่อนนอนเราทำห้นาทีสิบนาทีอันนี้ช่วยได้แน่นอนแล้วในระหว่างวันเนี่ยมันมีโอกาสเยอะแยะคุณโยมติวในขณะที่เรากับรถในขณะที่เรารอลิฟท์ในขณะที่เรากําลังประชุมคุณหนึ่งเขาพูดอยู่พวกนี้เป็นจังหวะเวลาที่เราสามารถที่จะเก็บสะสมะเก็บชั่วโมงบินเก็บน้าที่ระยดระยดเพื่อที่จะให้จิตเราเนี่ยมีกําลังมากขึ้น จึงจะช่วยให้ทําตรงนี้ได้แน่นอนค่ะงั้นก็กราบน้อมักการขอบพระคุณท่านคุณบุญไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้คะ่ะนมสักการคะ่สะสำหรฝั่งที่ครกคะท่านพูดย้ําในตอนสุดท้ายดี่ทนเข้าใจว่าท่านกําลังจะบอกทุกท่านว่าลองทำเลยสิไหมคะเพราะกําังจะออกไปทํางานกันอยู่แล้วคงจะไม่มีเวลาไปนั่งเป็นรูปแบบอะไรลองทําเลยสิในจังหวะที่เหมาะสมที่ท่านได้ยกตัวอย่างให้ไป ติดตามรับฟังรายการสัสนิษฐานาดําเนินรายการโดยสัสนิษฐานาพงศ์นวมัส ก, การถามปัญหาธรรมะกับพระมหาพบูบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธา น, นีนะคะทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาเช้าตรู่อย่างนี้ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้พุทธวสวัสดีนะคะ